จิงพระพุทธเจ้าข้าพระผู้มีพระภาคครั้นทรงตำหนิแล้วทรงแสดงธรรมมีกถารับสั่งกับภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุรับประเคณเพสัต ท, ที่ควรสำหรับภิกษุไขคือเนอยใสเนยข้นน้ำมันน้ำผึ้งน้ำอ้อย แล้วเก็บไว้ฉันได้เจ็ดวันเป็นอย่างมากให้เกินกําหนดนั้นไปพึงปรับอาบัตตามธรรมเพศชานุ ญ, ญาตภานวาลที่หนึ่งจบ